พระธรรมเทศนาแผ่นที่86บลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9กุมภาพันธ์ 2,559 มีชื่อเรื่องว่าเกิดในประเทศที่มีศีลมีธรรม อาลูกหลานอยู่ในความสงบจะคุยกันนะทีนี้นะหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังไม่นานพ่อลูกหลานโคงจะได้ทานอาหารเที่ยงแล้วนี่อีกไม่นานจะต้องอไปร่วมกินเขาเที่ยงอยู่บันหน้าคําน่อยอยู่อําเภอลูกหลานพวกไหนอยู่ใกล้ๆเสียงดังรบกวนมัวออกไปทั้งนอกนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกยังไงฟัง ว, ว่าเป็นภาษาบ้านเฮ้าฟังง่ายๆเนาะ บอกเป็นภาษากลางบาอกยากบอกเออภาษาพื้นบ้านเมื่อเนเป็นวันทีเก่ากลุ่มผ้าพันพุทธศักการสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเมื่อเนีคณะสัทธายาติโยมมาจากอำเภอโชพิศัยจังวัดบึงการจับกลุมกัน เป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านลงพอวนันอภวเป็นมงค้นมหามงค้นสาหรับชุ่มชนสดังคมในกลุ่มของเฮ้าดาวกุ้มไหลก็ตามเป็นผู่มีศิลมีธร้ำกล้มนั่นจะเดชจะสงบปล่มเย็นเป็นจุขพอหัวหนา่ผ้าเขาวัดว่าศาสนาผ้าเขาศิลเขาวถา้ำมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี ชุ่มช่อนในกลุ่มนั่นก็ร่มเย็นเป็นสุขพออยู่โดยธรรมนะ เ, เว้นเสียแต่ยิงจะอยู่ในกลุ่มถ้ำกว่าจิงยุทแต่ตัวเองแหวกแนวก็ท้าให้ตนเองไปติดคุกติดตล่างใดขึ้นกัน เ, เพราะนั่นเมื่อนี้ถือว่าเป็นวันม่งค้นในกลุ่มตาบลบัวตูมหมู่ส <c oughs> ิบสี่หมู่บ้านาและก็นั่โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูมนายพงพ่อนมามะนัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูมจำนวนสามยหกคนพ่อมร่องนายกสมาชิก ส, สภาตำบลและผู้เยี่ยบานกำนันอำเภอโ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬหลวงพ่อเห็นแล้วก็ อบอุ่นอุ่นหนาวฟ้าข็งแต่เมื่อในกิดผ้าทัศนศึกษาหัวหนาผ้าทัศนศึกษาอยากจะให้พี่น้องจะท่าญาติโยมลูกหลานทั้งหลายเขามาจูวัดว่าศาสานาแล้วมาวัดหลวงพ่อแต่วัดหลวงพ่อทั้งหมดมีกว้างนะลูกหลานนะเหนือที่ทั้งหมด 1, 350หพันสหสิไร่อยู่ฝากตรงขามตรงขามวัด แต่ตรงนี้เป็นที่ยี่สิบกว่าไรสำหรับปลูกสลาขึ้นมาเพื่อลองรับพี่น้องประชาชนอย่างเมื่อนี้แหละแต่อยู่ท้งในมันมีแต่ต้นใหม่ปลาใหม่หนาแน่นมัดทีขยายจะขยายไปเกิดเสียปลาเสียดายปลาแต่ตรงนี้เป็นไฮเขาโพดเป็นไฮเป็นหน้าเขาแล้วก็เลยขยับขยายมาตรงนี้ปลูกอาค้ารขึ้นมาเพื่อรองรับ พี่น้องชัททาญาดโยมอย่างที่เห็นนี่แหล ะ, ะแล้วก็เมื่อหัวหน้ามาเบอกกับหลวงพอว่าจาิผ้ารัททายาติโยมมาแหวกกราบหลวงพอ่อฟังถ้ำหลวงพอก่อนแล้วต่อไปก็จะขึ้นไปกราบคารวะพระนอนผู้ก่อนโอ้พระนอนผู้ก่อนสวยงามเนอ้อพี่น้องลูกหลานนะพระเป็นพระทีะ่หินไว้แคลาลานะเป็นหินแกะหิน ดูแล้วหาเบงที่ไหนบมีหล่ะในโลกนี่วันน่ะพูดง่ายๆอย่างจันเลยที่เป็นผ้าแกะหินแดนนงงามถึงขนาดนี้นะแต่ชนะจัดท่านญาญโยมคืนไปกับไปเห็นล่ะที่หลวงพ่อเนี่ยอ้าหลวงพ่ออิ น, นว่วโผล่ไปละเรื่องโอ้พ่อดีโ อ, เ, อเกินกว่าหลวงพ่ออินว่าพวกเข้าก็จะเห็นด้วยสายตาของพวกเข้านะอันนี้ก็คื อ, อาทางด้านวัตถุ แต่ทั้งยังใดก็ตามคณะรชาติญาติโยมลูกหลานทุกคนที่เข้ามาสู่วัดว่าศ า, ศาสนามหาวัดหลวงพ่อหลวงพ่อจะต้องจําเป็นในบอกเรื่องจิตเรื่องถ้มให้กับคณะชาติญาติโยมยางหน่อยเป็นขอคิดเป็นแนวความคิดสําหรับพัวเข้าเพราะว่าผัวเข้าเกิดมาได้พบพระพุทธ ศ, ศาสนานาว่าเป็นบุญเป็นกุศล น, นะปฏิรูปเทสวาโซจะ ในพระบาลีของพระพุทธเจ้ามงค้น38ิปดนะปฏิโรปรเทสวาโซจ่เกิดในประเทศอันสมควรแผ่นดินบอ่อไหวอย่างมุกอกี้กันอยิานว่าประเทศเกาหลีแผ่นดินไหวตึกล่มระเนระนาดนเมืองไทยเข้าบอมมีแผ่นดินบอ่อไหว <c oughs> บอ่อไหวหน้าบอ่อท่วมหนาวก็พอนาวหลายจังหนาวเหมือนี่แหะก็ล่งถึง หถึงเจ็ดถึงแปดเหมือว่าในหนาวประมาณนี้ได้น้อยหนึงแต่มื่อนีก็อุ่นขึ้นมากนี่แหละอแต่ประเทศอื่นเนี่ยเป็นหิมะทั่วประเทศอย่างประเทศจีนเนี่ยที่พวกเข้าหนาวมากเลยคือพัดล่มพัดหิมะจากประเทศจีนลงมาทําให้เหนเข้าหนาวแต่ประเทศเขาต้นหิมะจริงจริง เ, เอ้เป็นน้าแข็งหมดแล้วลบที่สามสิบนะ ฟังฟังเบอร์แล้วโอ้ขนาดเท่ า, เาล่องถึงหกถึงเจ็ดนี่กัพ่อแห้งแล้วอันนั้นลบถึงสามสิขนาดไหนเนี่แหละอันนี้ก็คือปฏิรูประเทศสวาสโซจะพวกเข้าอยู่ในประเทศที่หนาวมากปอร้อนมากคำว่ า, าร้อนมากครับนี่ก็คืออย่างประเทศอินเดียเวลาหอา่อนเข้ามาค้นตายเพรานไงไวลาล่มโพเข้ามาเนี่ยหายใจทูกบไปแน่น่ะว่ามีอากาศหายใจแลยตาย อันนั้นก็มีมากอันนี้คื อ, อ, อประเทศท่วาธรรมชาติขาคนน้มท่วมก็มากห่อนก็มากหนาวก็มากแผ่นดินก็ไวเออสินนามิน้ำทะเล ข, ขึ้นมาท่วมก็มีแต่เมืองไทยของเขามีหน่อยออธรรมชาติที่จะเข่นขาพี่น้องประชาช่ชนคนในชาติเพราะนั้นพวกเข้าถือวา่าพวกเข้าเกิดในประเทศที่สมบูรณ ธรรมชาติบริขาพวกเข้าแล้วก็เข่าน้าโภชนะอาหารการบริโภคสมบูรณ์บริบูรณ์โบ๊อปล่อยจอดหมอมีหม่องสิขายพละอานนานไปเขานะอันนี้ปฏิรูประเทสวาโซจะปุเพจักกตะปุญญตาพวกเข้าคงจะเห็นถาำบุญไหวในอดีตชาติเหมือนอย่ังเ่ริะพวกเข้ามาสูวัดว่าศาสนาจีงซี่ยล่ะเออสาธุเนอร์ผู้ขาเกิดมาพบในชาติใดผู้ขาจะให้ ได้พบพ่อที่สิ่งที่เป็นอัปมงคลดินฝาอากาศแผ่นดินไหวน้ำท่วมหนาวจนเกินไปห่อนจนเกินไปอย่าให้พบได้พ่อให้ข้าพรเจ้าเกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยขขาวน้ำพ่อชนะอาหารแล้วก็ให้คู่ขนในยุค ข, ขาพระเจ้าเกิดก็ให้เป็นคนมีศีลมีธรรมให้เสื้อฟั่งซึ่งกันและกันให้เป็นผู้ปฏิบัติต่อศีลต่อธรรม ได้เมื่อข่าวพรเจ้าเกิดในสถานที่ใดให้เด่นพบลักถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังโอวอัตรถ้ำคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือเขาตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตชาตินะพวกเขา้าเจริญมากเกิดใ น, ในประเทศยังสี่วันไปเ อ, อบ้านเฮ้าก็ได้มากเกิ ด, ด, ดเลยประเทศที่สมบูรณ์เหมาะสมได้พบพระพุทธศาสนาอีกน เรียกว่าปุเพ จ, จกักกะตาปุญยตาอัตตะสัมมาปิเทในเมื่อเฮ้าเกิดมาในผืนแผ่นดินดีแล้วเฮ้าควรปฏิบัติตนจังไรบาลนี่ยคานว่าเฮ้าเกิดมาเหลือลืมเจ้าของพ่อเกิดเกิดมาเหลวบโบหุจักศีลโบูุจักถ้ำโบูุจั ก, จกเขาเราคารวะผู้ไว้ยาว์ขุ้นดาวดโบหุจักผู้หน่อยโบหุจักผู้ใหญ่โบหุจักปู้ายาตายย่าย โบกุยจักอผู้มีพระคุณสาหรับพวกเฮ้าทั้งหลายเอผลที่สุดตั้ง ต, งตนไว้บ่ชอบอันไหนทีบ่บดีเอาขนมาใส่ใเจ้าของทั้งสู่ล่าบังทั้งเที่ยวหนา้ารีบบังเอทั้งการพนันบัง อ, อยาบ้ายาหมากั้นชายาฟินเฮโรอิ น, นขนมาใสใ่เจ้าของแปลว่าตั้งตนไว้บ่ชอบด้วยบาดในในเมื่อคนตั้งตนไว้ต้นไว้บ่ชอบนะีนั่นแหละ กรคำดีกรคำชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่าเพราะกรคำชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรคำชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังประดานขอฝากไว้กับพวกเข้าเรื่องลูกหลานทุกคนนะพวกเข้าเกิดมาในผืนแผ่นดินไทย เ, เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ เ, เป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้รักษาประเทศชาติบ้านเมืองมาปกป้องประเทศชาติปกป้องพระพุทธศาสนา พวกข้าหล่มเย็นเป็นสุขทวนนากนารแล้วก็ให้พวกข้าวตั้งตนไว้ชอบกว่าไงสิ่งใดที่มั่นบอดีอายาถํายาคิดยาทถ้ำยาพูดถิ่ในสิ่งที่มั่นบอดีอาถ้าว่าทถําลงไปแล้วคิดท่ําลงพูดลงไปแล้วสิ่งที่มั่นบอดีตัวเองเลยถําลงไปแล้วความบอดีนั่นนะจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อพ่ายหลังเมื่อเข้าไปเหตุความซัวลงไปแล้วเขาจับเขาขุกเขาตะลางเด้ เมื่อจับเขาคุกต่อเขาเขาตะล่างเดือดร้อนเมื่อไายหลังระบาดไงไพเดือดร้อนเจ้าของผู้เหตุนะั่นเดือดร้อนแต่เมื่อเหตุก็คิดว่าเขาจีว่จับว่วใดเข้าเป็นผู้ฉลาดกว่าเขาปอกปิดความลับใดบ่ ม, มีปัญหาแต่พอเหตุเขาไปแล้วบาดนี่ยเขาจับไก่ไล่ท่านเฮตุโจโลอยู่บาดไปอยู่ในคุกไปอยู่ในตาล่างเพราะนั้นพระพวกแตเจ้าเพราะยังตรัสวานะ่ยอัคตังดุ ก, กตังเซโยปัชชาตปติทุกตัง กรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้พวกเข้ า, าฟังเอาไวน้นะพี่น้องลูกหลานคณะทัดทาญาตโยมกรรมชั่วคือยัง้งความชั่วคือยั้งไอ้คกรรมชั่วไหนคือเออ คิดขากันคิดขากันเมื่อเข้าเข้าไปคิดข่าเขาเขาคิดข่าเข้าในเมื่อเขาไปข่าเขาพอแม่พี่น้องเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขาพอแม่เมื่อเข้าเขามาข่าพอข่าแม่เข้าเข้าก็เสียใจเพราะเห็ุไดเพราะเขามาข่าพี่น้องของเข้าพอแม่หยาดติโกโหติกาของเขานี่แหละเขาเข้าเขาก็หักพี่น้องของเขาเข้าก็หักพี่น้องของเข้า ในเมื่อเข้าไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาขโมยของเข้าเขาก็เสียใจในเมื่อ เ, าเขาเข้าไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเลียกคาะทัยอย่างนี้เอเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจในเมื่อเข้าเขามาขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาไปเรียกค่าทัยเขาก็เสียใจขึ้นกันเพราะนั่นยาเห็ดไทยกันเน้อให้เขารบซิสซึ่งกันและกันเน้อต่างคนกับต่างมีพี่มีหนกมีโป่งสาขน า, ญญาตดยาขโมยกัน อันนี้คือศี่ข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราเวรามานีลูกเมียผู้ใดไผก็หักพีนพพ่นองพ่อแม่พี่นองผู้ใดไผก็หักเ อ, อลูกเมียของเฮาพ่อแม่ของอเฮาพี่นองของเฮาลูกร้านของเฮาเฮาก็หั ก, หกขันเฮาไปทําให้กับเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาทํากับเฮาละ่ะเออทํากับคนหักของเฮาเฮาก็เสียใจคือกันเพราะนั้นให้เขารบซิดจึงกันและกันเนาะ อันนี้คือสินขอที่สามขอที่สี่มุษยาโกหกต่มตุลหลอกล่วงผู้อื่นเขาเนอะในเมื่อเขาไปต่มตุลหลอกหลอกล่วงโกหกผู้อื่นผู้อื่นเขาเขาก็เสียใจเออไปเขียนแจกเด็กให้เขาสิยอมตะกลัวไปขายให้เขาสิว่าเป็นท่องคาเอาเล็กเอาก้อนหินเหลื่อมๆมาเป็นเล็กไห่เนะี่ไปขายให้เขาไปขี่ตัวเขาเนี่ยเขากระู่ทัางลู่ว่าเข้าขี่ตัวเขา พ่เอเฮาขายไปแล้วเขาใดของบอดีของปลอมแปลาเาโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเขาเสียใจบอกเสียใจในเมื่อเฮามาท้ำกับเพ้าแล้วเฮาเสียใจบ่กเฮาก็เสียใจคือกันประันยาโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันเนออันนี้คือศินขอที่สี่ขอที่หาสุราเมเลยะการดื่มสุราเม่ไล่ขั้นชาญยาวฝิ่นเฮโรอินยาบ้ายามาในเมื่อดืมด่มเสพเสพแล้วดื่มเข้าไปแล้วขาดสติ เมื่อค่อนขาเจตีแล้วท่าความชั่วได้ทุกอย่างขาไภก็ได้ขโมยไภยก็ได้ลาหลาบละลวงในสามีภรรยาลูกล้านไภก็ได้โกหกตุมตุ้นหลอกล่วงไภก็ได้เพราะขาดเจติเพราะฉนั้นให้ให้ท่ำตีเนอเนี่ยนะท่ำดีนะพูดดีกับบอพูดเ อ, อขอที่สีบอพูดโกหกตุมตุ้นหลอกล่วงเ อ, อยุแย่งกระแท่งให้หลวกแตกแยกสามัคคีกัน โหดบอดีเสียหาย เ, เพอเพ้อเอขาคุกเขาตะล่างอย่างพวกเข้าไดเงี้ยนเดียวนี่แหละเอโูดบ่จักสูงบ่จักต่าเขาจับเขาคุกนะเนี่แหละให้ละมัดระว่างคาพูดของเจ้าของคือกันเพราะนั้นขอให้พวกเขาคณะานะสัทธายาดโยมหลูกหลานทุกคนนะถ้าเฮาพวกเข้าคิดดีทําดีพูดดีอยู่ใดอยู่ใสหลบเย็นเป็นทุกทุกแห่งทุกโหนนั่นแหะถ้าคิดบ่ดีทําบ่ดีพูดบ่ดีแล้วเดือดร้อนเจ้าของเนาะเพราะนั้นให้พวกเข้า สำรวมระวังอีกอย่างในองบาดเนี่ยพวกเข้าในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วบ่อูนย์นพี่น้องสัทธาญาตโยมอันนี้หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่คู่บ้านจานหลวงปู่เสาหลวงปู่หมันหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆเนี่ยเพิ่นภาวนาบ้างแหละเพิ่นไปภาวนาในดวงในป่าเพิ่นนั่งภาวนาก็ยังภาะประทานนั่งภาวนาเพิ่นนั่งที่ไรกำหนดดูดูดูความรู้สึก ข, ของเพิ่น เมื่อจิตใจของคนร่วมสงบลงเป็นหนึ่งพ่อจิตใจคืดใจคือตัวนึกคิดตัวผู้หลูตัวปุ๋งฝุ่งตลอดน่ะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นวี้เพิ่นให้มันร่วมไปเพื่ให้มันคิดให้มันเน่งพ่อจิตใจร่วมเน่งนั่นแหละอจิตใจร่วมลงไปแล้วเพื่อนจะหูวจักเลยกายร่างกายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งเพื่อนเปียดเพียบว่าร่างกายเมื่อกันคือกันกับรลด ร่างกายคือกันกับรถแต่จิตใจเนี่ยคือกันกับค้นขับรถค้นขับรถกับรถเปอร์แมนอันหนึ่งอันเดียวกันค้นละอันกันมันหูจากชัดถึงขนาดนั่นแหละเวลาจิตใจร่วมสงบนะร่างกายเมื่อจิตใจร่วมร่วมสมองกับร่างกายเนี่อเหมือนกับรถจิตใจตัวนึกคิดเนี่ยคือกันกับค้นขับรถค้นขับรถถ้ารถจยอนธรรมดาผมมีคนขับรถก็ไปบริเวณใด เออถ้ า, าความข้นขับเข้าไปรถยังค่อยไปได้เนี่ยแหละใจของเฮ้าเนี่ยนะถ้าใจออกจากร่างเท่านะั้นร่างกายก็มัสภาพตายเข้าไปเออเพราะนั้ น, เ, <c oughs> น, นเมื่อจิตเพินพ่นเพิ่นเผ่าหัวหน้าพูดว่าตัวร่างกายเนี่ยถูกเผาไฟแน่นอนตายแน่นอนเออพ่อเกิดขึ้นมาเลยแก่แก่แล้วก็เจ็บตายในทีส่สุดแต่ท้า ม, มาทําคือตัวจิตใจดวงนั้นละ่ะ ตัวโซเฟอร์เ่ยตายออกจากล่างแล้วจะต้องไปเกิดท้าเกิดในภพภูมติต่างๆไปตกนรกถ้าทำความชั่วนะถ้าทําความดีก็ไปสู่สวรรค์ถ้าบ่ชั่วร้ายก็ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ชั่ ว, ว, วอีกในระดับเด่นก็ไปเกิดเป็นสัตว์เทวิชาล์ไปมันเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพณนบอกว่าให้ประกอบคุณงามความดีเนอะเผ่าเข้าได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้ว ให้ทำความดีสิ่งใดที่บัานดีทำอย่างหน่อยปฏิบัติพอแม่ของเฮาพอแม่เลี้ยงเฮามาแล้วเข้าควรปฏิบัติตนจังไดบ่แม่จีปอยป๋ะลาเลยบ่แม่ไดย์ดูถูกเหยียดยามพอแม่บ่แม่แนวเดย์พอว่าพอแม่เลี้ยงดูเฮามาแล้วเลี้ยงท่านตอบพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุลประพฤติตน ให้สมควรควรรับทรัพย์หมอระดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านนะให้พวกเข้าฟังดูซิเข้าถ้ำนาทีนี่เต็มถูกต้องหรือยังพอแม่เลี้ยงดูเข้ามากคือกันกันบเข้าเลี้ยงลูกเข้านะ่ะเลี้ยงยากบ่พอแม่เลี้ยงเข้าคือกันพอแม่เลี้ยงดูเข้ามาแล้วให้เลี้ยงเพลินตอบเน่อทํากิจธรุระของท่านไขว่าเพลินจะให้ทั้งเขาก็ต้องเหตุพอเขาเป็นลูกเพลิน เฮ็ทเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดชวนเฮ็ดยังอชอยเพลนทำกิจุละของท่านดำรงวงสกุลแขยงไข่าย่ก่อนดูดูแลวงตะกุลของเฮ้าแล้วก็ประพฤตอตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกอจะไปกินเหล่าเมายาจะไปอกินยาเมื่อเมาถ้ากินเสพติดเหลัญการพระนั่นพอแม่ที่มอบมรดกให้ได้จังได เห้เฮาต้องเป็นคนดีที่จะรับมรดก ข, ของพ่อแม่เฮ้แล้วก็เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้ใครๆก็ว่ า, าถึงพ่อแม่จิตตายไปแล้วก็จริงแต่ร่างกายของเฮาเนี่ยตั้งแต่หัวจนเท่าเนี่ยได้มาจากไผ่เฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพราะนั่นก้อ น, ก, อ น, น, นก้อนี่นะกดก้อนสมบัติของพ่อแม่อยู่กับเ้าเนี่ยเฮาเขาควรจะเอาก้อนให้ละ ไปลงทุนจากนั้นมากแต่เงินข้ามทรัพสมบัติมั่มมากหน่อยกับแบ่งเป็นส่วนๆเก็บไว้ใส่ชีวิตประจำวันเอาหวังเก็บไว้เพื่อใส่อนาคตปังจํานวนหนึ่งเท่ากับทาบุญยางหน่อยกับทักบาทอาทิตย์นึงตักถักบาทครั้งนึงเวลาตักบุญทำบุญตักบาทเออหวงวิญญาณพอเมืเ่เ อ, ออยู่นสถานที่ใดขอให้ไดลมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ขาร์เนเ อ, อผู้ขาร์แต่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นี่แหละ อันนี้คือถ้ำนาทีของพวกเข้าพราะนั้นทขอให้ขอฝากไว้ครับคณะท่าญาติโยมลูกหลานเนอมาสูวัวดว่าศาสนามหาวัดลงพ่อเนี่ยก็ลงพอกะว่าเรื่องเสียนเรื่องธรรมให้พี่น้องลูกหลานให้ได้เงินได้ฟังฮะพอลูกหลานอยู่ในบ้านได้เฮือไมีแต่ฟังหล่องฟังล่ำเออเ อ, อิงเออยเ อ, อเ อ, อิงเออยไปเลยมโนไปมาสูวัวดว่าศาสนาจังสีเล่ะลงพอกะว่าวเรื่องเสียนเรื่องธรรมให้ลูกให้หลานฟัง การก้าวและการเบาเมือนีก็เห็นว่าสงครกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภาษีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพะระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสาคลโลกด้วยอำนาจบุญบา ร, รมีพอแม่ครูบาอาจารย์บุญบา ร, รมีผู้มีพระคุณสำหรับพวกเข้าทางหลายขอให้มากคุ้มค้องกนัทธาญาติโยมลูกหลาน จงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปราถนา ท, ทุกทุกท่านทุกทุกโด้วยเธนิน